วันนี้เป็นวันพระเป็นวันมงคลเพราะว่ามีการกระทํากิจที่เป็นมงคลนั่นเองวันพระเป็นวันมงคลถ้าไม่ทํากิจที่เป็นมงคลถึงแม้จะเป็นวันพระก็ไม่เป็นวันมงคล เพราะวันนี้แต่ละวันนี้เหมือนกันทุกวันวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้เป็นวันเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันความแตกต่างกันอยู่ที่กิจกรรมที่ทำถ้าไม่ใช่เป็นวันพระญาติโยมที่มีภารกิจการงานก็ต้องไปทำการทำงาน ก็ไม่ได้มาทำกิจที่เป็นมงคลแต่วันพระในญาติโยมหยุดทำงานกันหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มาทำกิจที่เป็นมงคลนั่นเองเราจึงเรียกว่าวันพระเป็นวันมงคลเพราะมีกิจกรรมที่เป็นมงคลให้ทำกันนั่นเอง ถ้าไม่ทากิจกรรมที่เป็นมงคลเช่นวันนี้บางท่านก็ไปทำงานทำการไม่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นมงคลวันนี้ก็ไม่ได้เป็นมงคลสำหรับท่านผู้นั้นผู้ใดทำกิจกรรมที Again, ่เป็นมงคลก็วันนั้นก็จะเป็นมงคลถึงแม้ไม่เป็นวันพระก็เป็นวันมงคลได้ เพราะวันมงคล น, นี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวันพระหรือไม่เป็นวันพระขึ้นอยู่กับการกระทาว่าเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลวันนี้เรามาทำกิจกรรมที่เป็นมงคลเพราะเราถือว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราจะไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เราจะมาทํากิจกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากันในวันพระนี้เองวันพระพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทําอะไรกันสอนให้พวกเราทําบุญทำทานสอนให้พวกเรารักษาศีลสอนให้พวกเราปฏิบัติธรรมคือการเจริญจิตตภาวนา สมถภาวนาวิปัสนาภาวนาสอนให้พวกเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันศึกษาธรรมศึกษาคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลเพราะว่าเราจะได้ สิ่งที่เป็นมงคลจากการทำกิจกรรมเหล่านี้นั่นเองชเช่นเราได้อะไรจากการทำบุญทำทานเราก็ได้สวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งมีอยู่หกชั้นด้วยกันเป็นเทวดาชั้นต่างๆกันถ้าเรารักษาสี่หน้าได้เราได้อะไรเราได้ปิดอบาย เราไม่ต้องไปตกไปอันไหนอบายอบายก็คือที่อยู่ของสัตว์สี่ชนิดหรือดวงวิญญาณสี่ชนิดด้วยกันคือเดลฉานเปรตอสุรกายและนรกถ้าเรารักษาสี่ห้าได้เราก็จะปิดประตูอบายไม่ต้องไปเกิดในอบาย หลังจากที่เราหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วออแล้วถ้าเรามาถือศีลแปดมาภาวนาเราจะได้อะไรถ้าเราถือศีลแปดแล้วเรจเริญสมถะภาวนา เ, ออเราก็จะได้สวรรค์ชั้นพรห ม, มโลกมีอยู่แบ่งเป็นสองระดับระดับ รูปประพมกับอรูปประพ ม, มระดับรูปประพมก็มีแบ่งไว้ถึงสิบหกชั้นด้วยกันระดับอรูปประพมก็แบ่งไว้อีกสี่ชั้นด้วยกันถ้าเรารักษาศีลแปดได้ถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบให้เข้าฌานชั้นต่างๆได้เราก็จะได้ สวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นต่างๆแล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์พรหมโลกถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเราก็จะได้สวรรค์ของพระอริยเจ้าซึ่งแบ่งไว้เป็นสี่ชั้นด้วยกันคือชั้นของพระโสดาบันของพระสกิดาคามี ของพระ อ, อนาคามีและของพระ อ, อราหารันต์ถ้าได้ถึงขั้นพระ อ, อราหันต์ก็จะได้หลุดออกจากสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบออได้ไปอยู่ที่พานิพานออนี่คือความเป็นมงคลหรือมงคลต่างๆที่เราจะได้รับ จากการที่เรามาทำกิจกรรมที่เป็นมงคลกันในวันพระแต่การทำกิจกรรมในวันพระเพียงวันเดียวนี้เป็นเหมือนกับเป็นการจองที่พักไว้ก่อนเวลาเราจะไปจองที่พักนี้เรามักจะต้องวางค่ามัดจำถ้าไม่มีค่ามัดจำเขาก็ไม่รับจอง เขากลัวว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนใจแล้วเราถึงเวลาไม่ไปแต่ถ้าเรามีการให้ค่ามัดจำนี้ก็เป็นเหมือนการย้ำเจตนาของเราให้เขารู้ว่าเราต้องไปแน่ๆแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเวลาที่จะไปอยู่นั้นยังอีกหลายวันข้างหน้าอยู่ แต่เพื่อความแน่ใจว่าจะมีที่พักก็ขอสำรองจองที่พักไว้ก่อนถ้าเราอยากจะบอกให้เขารู้ว่าเรามีความแน่วแน่ที่จะไปเราก็จ่ายค่ามัดจำที่พักไปก่อนพอเราจ่ายค่ามัดจำเขาก็ยินดีที่จะจองที่พักให้กับเราเก็บที่พักให้กับเรา ่าเราถึงเว่นนั้นเราก็เดินทางไปเราก็จะมีที่พักรอรับเราอยู่แล้วเราก็จ่ายค่าที่พักอย่างเต็มได้เขาก็จะให้เราอยู่อันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์ชั้นต่างๆที่พวกเรามาทำกันในวันพระนี้มาสร้างกันในวันพระนี้เป็นเพียงการจองที่พัก อันหนึ่งเรายังไม่ได้ออกเดินทางไปสองเรายังไม่มีเงินจ่ายที่พักอย่างสมบูรณ์อย่างเต็มร้อยการที่เราจะจ่ายที่พักได้อย่างเต็มร้อยนี่เราต้องทําทุกวันนถ้าเราเพียงแต่ทําเฉพาะวันพระนี้ยังเรียกว่าเป็นการสํารองที่พักเป็นการเจองที่พักอยู่ ถ้าเราอยากจะมีความมั่นใจว่าเราจะได้ที่พักอย่างแน่นอนเพราะบางทีเราจองไว้บางทีคนอื่นเขามาเข้าไปอยู่ก่อนเขาก็อาจจะได้อยู่ก่อนเราก็ได้ถ้าเราเพียงแต่จองที่พักไว้เฉยๆแต่ถ้าเราจ่ายที่พักเลยเราก็จะมีความมั่นใจว่าเราจะได้มีที่พักอยู่อย่างแน่นอน อันนี้ก็เหมือนกันการมาทำกิจกรรมในวันพระนี้เป็นการจองที่พักของเราในอนาคตเวลาที่ร่างกายของเราตายไปเราต้องย้ายที่อยู่อาศัยตอนนี้เราอาศัยร่างกายเป็นที่อยู่เป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ให้ความสุขกับเรา เป็นที่หาความสุขต่างๆให้กับเราทุกวันนี้เราใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆพาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ต่อไปในวันข้างหน้าร่างกายของเราก็จะเสื่อมลงไปแก่ชรา ล, าลงไป แล้วก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็จะมีการตายไปพอร่างกายตายไปแล้วเราผู้ที่อาศัยร่างกายอยู่นี้ก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้แต่ถ้าเรามีการจองที่พักใหม่ไว้ก่อน่งหน้ามีการเตรียมที่พักไว้ก่อนงหน้า คือเตรียมที่พักในสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมหรือสวรรค์ชั้นอริยะเจ้าเออพอร่างกายของเราตายไปเราก็ย้ายที่อยู่ได้เลยเพราะเรามีที่พักจองไว้แล้วเตรียมไว้แล้วซื้อไว้แล้วเออตอนต้นก็จองไว้ก่อน เช่นตอนนี้เรามาจองกันไว้ถ้าเราเพียงแต่มาทำเฉพาะวันพระนี่เรียกว่าเป็นการมาสํารองมาจองที่พักไว้แต่ถ้าเราอยากจะให้มีความมั่นใจว่าเราจะได้ที่พักอย่างจริงจังเราก็จะต้องทาเพิ่มขึ้นจากเฉพาะวันพระเพิ่มมาทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ทั้งเจดวันนี่ รับรองได้ว่าที่พักที่เราจองนี้จะเป็นของเราอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มร้อยเพราะเรายังอาจจะมีภารกิจหน้าที่ต่างๆที่ผูกพันเราอยู่เราก็อาจจะทำได้ไม่เต็มร้อย แต่ที่พักบางชนิดนี้เราก็สามารถทำได้ทุกวันถึงแม้เราต้องไปทำงานถึงแม้เรามันจะไม่ได้มาวัดการจองการจะไปสารองหรือซื้อที่พักไว้ในสวรรค์ชั้นต่างๆคือสวรรค์ชั้นเทพที่มีอยู่หกชั้นนี้เราสามารถซื้อได้แม้ในขณะที่เราไปทำภารกิจการงานอย่างอื่น เราต้องไปทํางานทําการแต่ก่อนออกจากบ้านหรือระหว่างทางไปบ้านัดไปทํางานถ้ามีที่ไหนเราแวะใส่บาตรได้เราก็แวะใส่บาตรก็ได้หรือถ้าเราไม่สะดวกที่จะใส่บาตรสมัยนี้มีการโอนเงินผ่านทางบัญชีบนมือถือนี่โอนได้ทันทีโอนไปถวายให้กับวัดนั้นวัดนี้ วันนี้ขอทำบุญถวายนี่สงก็โอนเงินไปเลยร้อยบาทห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วแต่เราต้องการจองสวรรค์ชั้นไหนส ช, ชั้นต่ำก็เงินก็น้อยหน่อยสวรรค์ชั้นสูงเงินก็มากหน่อยเหมือนจองโรงแรมใโรงแรมหนึ่งดาวกับโรงแรมห้าดาวราคามันก็ต่างกัน ทำไมมันต่างกันเพราะการบริการมันต่างกันการให้ความสุขมันต่างกันการทําบุญน้อยก็จะมีความสุขน้อยการทําบุญมากก็จะมีความสุขมากไม่เชื่ออันนี้พิสูจน์ได้ลองทําดูสิโยมเคยทําเวลาร้อยนี้ยลองเปลี่ยนมาทำห้าร้อยดูแล้วดูที่ใจว่ามีความรู้สึกสุขมากกว่าไหม ทำบุญ ร, ร้อยบาทกับทำบุญห้าร้อยบาทเนี่ยความรู้สึกสุขใจอิ่มใจภูมิใจนีอย่างไหนจะมากกว่ากันอันนี้ไม่ได้เป็นการหลอกลวงอันนี้พิสูจน์ได้ญาดโยมพิสูจน์ได้ไม่ต้องรอตายไปก่อนแล้วถึงจะไปพิสูจน์ได้ นะเพราะสวรรค์แท้จริงก็คืออยู่ในใจของเรานี่เองสวรรค์นในอกนรกในใจมันอยู่ที่ใจของเรานี่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปใช้มันตอนที่เรามีร่างกายเท่านั้นเองตอนที่เรามีร่างกายเรายังใช้ร่างกายได้เราก็อาศัยร่างกายไปหาความสุขต่างๆก่อนแต่ใจของเราเรารู้แล้วว่าเราได้จองที่พักแล้อย่าง เรามีความสุขใจหรือไม่ถ้าเรามีความสุขใจนี่เรารู้แล้วว่าเรามีสวรรค์รอเราอยู่แล้วจะสุขมากสุขน้อยก็จะรู้ว่าเราจะไปสวรรค์ชั้นสูงและชั้นต่าำอันนี้พิสูจน์ได้เรื่องสวรรค์เรื่องนรกนี้ไม่ต้องรอตายมีหนังตัวอย่างให้ดูก็คือความรู้สึกในใจของเรานารกในอกสวรรค์ในใจเอ เวลาสุขใจที่เกิดจากการทําบุญนี้สวรรค์เกิดขึ้นมาในใจเราแล้ ว, ลวเวลาทําบาปนรกก็เกิดขึ้นมาในใจของเราทันทีเวลาทําบาปใจนี้เราจะร้อนขึ้นมาจะทุกข์จะไม่สบายใจจะกังวลจะหวาดกลัวกลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวคนอื่นเขาจะรู้ว่าเรา เป็นคนไม่ดีใจเราก็จะไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างในขณะที่เรายังมีร่างกายอยู่แต่พอเวลาไม่มีร่างกายแล้วใจของเราก็จะไปอยู่ตามที่เราได้สร้างที่เอาไว้สำหรับสวรรค์ชั้นเทพนี้เราทำได้ทุกวัน คือเราไม่ต้องหยุดทำงานยังสามารถทำภารกิจควบคู่ไปกับการสร้างสวรรค์ชั้นเทพได้ปิดปิดประตูอาบายได้เนี่ยด้วยการทำสองอย่างคือรักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญทาทานตามกำลังของเราหรือตามศรัทธาของเราบางคนมีศรัทธามากเชื่อในเรื่องสวรรค์ว่า เป็นของจริงมากก็อาจจะทำมากเอาเงินที่จะไปใช้ของฟุ่มเฟือยของหรูหรามาทำบุญดีกว่าบางคนยังศรัทธาน้อยอยู่ก็อาจจะใช้กับการทำบุญน้อยเอาเงินไปใช้กับของหรูหราใช้กับของฟุ่มเฟือยแทนก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธา แต่ขอให้รู้ไว้ว่าถ้าเราใช้เงินทองไปกับของฟุ่มเฟือยของหรูหราของไม่จำเป็นต่างๆหรือของเที่ยวของเล่นของมหรสรบันเทิงเหมือนจะเอาเงินไปทิ้งเพราะว่าพอใช้หมดแล้วมันไม่มีผลตามมาต่อไปเราไม่ได้จองอะไรนอกจากจองการเวียนว่ายตายเกิด การใช้เงินตามความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นการไปจองพบจองชาติเป็นการจองการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้มีการเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราใช้เงินทองเพื่อไปใช้ตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ แต่ถ้าเราเปลี่ยนเอาเงินทองที่ไปใช้กับการาตาหูจมูกนิ้นกายเอามาทำบุญทําทานเราจะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้น้อยลงและทําให้เรามีสวรรค์เป็นที่พักเวลาที่เราไม่มีร่างกายถ้าเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆ และหาเงินด้วยวิธีทำบาปเนีเวลาตายไปเราจะไม่มีสวรรค์เป็นที่พักเราจะมีอบายเป็นที่ไปแทนเราจะไปอยู่กับพวกสัตว์เดรัจฉานไปอยู่กับพวกเปรทพวกกรสุลกายพวกนรกดังนั้นการใช้เงินทองของเรานี้มีทั้งมีคุณและมีโทษ ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้คุณโทษของการใช้เงินเพราะเราจะมองถึงผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเวลาเราใช้เงินตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะเห็นว่าเรามีความสุข แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขเดียวๆไปเที่ยวแล้วพอกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความเหงาความเศร้าซ้อยความว้าเหวที่จะทําให้อยากจะไปเที่ยวต่ออีกนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็น ผลที่เกิดจากการหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายมันจะทำให้เราหิวโหวยทำให้เราอยากเที่ยวอยู่เรื่อยๆถ้าเราหาความสุขจากการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมันก็จะทำให้เราหิวโหวยกับการซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่เรื่อยๆซื้อกระเป๋าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ซื้อรองเท้า เดี๋ยวมาเลย น, นี้ซื้อก็ซื้อชุดนั้นชุดนี้เดี๋ยวก็ซื้อเพชรเดี๋ยวก็ซื้อสร้อยเดี๋ยวก็ซื้อต้มผู๋เดี๋ยวก็ซื้อนาฬิกามนไปเวียนมาอย่างนี้ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอการซื้อของเหล่านี้ไม่ไม่ได้เป็นการจองที่พักไว้ในสวรรค์เป็นการจองการเวียนไหวตายเกิด ให้มีเพิ่มมากขึ้นให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายบ่อยขึ้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะการจะหาความสุขแบบนี้ต้องมีร่างกายนั่นเองต้องใช้ร่างกายพอร่างกายตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายก็จะได้ไปหาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองก็เอาไปซื้อ ของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้อความสุขทางตาหูจมูกดินกายก็จะไม่มีเงินไปจองที่พักบญสวรรค์กันกลับมาเกิดอย่างมากก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะตายไปนี้จะไม่ได้ไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ทำบุญแล้วถ้าเวลาไปหาเงินมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าไปหาโดยวิธีทำบาป อันนั้นแหละจะไปเป็นการจองที่พักในอบายทันทีถ้าไปหาเงินด้วยการทำบาปช่อโกงหลอกลวงหรือแม้กระทั่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพก็จะต้องไปเกิดในอบายต่อไปดังนั้นการมีเงินด้วยการหาเงินนี้ต้องระวังต้องรู้จากวิธีหาที่จะทำให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้เกิดโทษถ้าไม่มาเรียนจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้เราจะไม่รู้กันถ้าเรียนแล้วเราจะรู้ว่าการหาเงินหาทองแบบที่ไม่เกิดโทษก็คือต้องหาโดยวิธีสุจริตไม่ทำผิดศีลเป็นอนขดัดไม่หาเงินด้วยการฆ่าคนอื่นฆ่าผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่สัตว์โต เป็นาทำอาชีพทำฟาร์มเป็ดฟาร์มฟาร์มไก่อย่างนี้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็เอาไปฆ่าอัานนี้ถึงแม้จะได้เงินได้ทองมาแต่เป็นเงินทองที่ไม่สะอาดเป็นเงินทองที่มีโทษติดมามีมนทินติดมามนทินก็คืออบายเป็นการไปจองที่พักในอบาย อบายก็คือคุกตารางของดวงวิญญาณของพวกเรานี่เองพอเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณที่ทําบาปก็จะต้องไปอยู่ในอบายสีท่ที่ไปอยู่กับพวกเดรัจฉานไปอยู่กับพวกเปรตไปอยู่กับพวกอสุรกายไปอยู่กับพวกนรกขึ้นอยู่กับว่าเราทําบาปด้วยเหตุผลนันใดถ้าทําบาป เพราะทำเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากรวยมากๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตถ้าทำบาปเพื่อให้รวยเพื่อให้เป็นใหญ่เป็นโตก็จะไปอยู่กับพวกเกรดถ้าทำบาปด้วยความกลัวต้องทำร้ายข้าศึกศัตรูกลัวคนนั้นกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้ กลัวสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้จะมาทําร้ายเราเราเลยทําร้ายเขาก่อนกําจัดเขาก่อนด้วยการทําบาปอันนี้ก็จะไปอยู่กับพวกกสุลกายถ้าเราทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมฟันต่อฟันตาต่อตาใครทําอะไรกับเราเท่าไหร่เราก็จะทํากับ คืนไปเท่านั้นล้างแค้นกันถ้าทำบาปด้วยความล้างแค้นฆ่ า, าพยาบาทก็จะไปอยู่กับพวกนรกนี่คือการกระทาที่เป็นหม่นทิงถ้าเราไม่มาศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนเราจะคิดว่าไม่ผิดกฎหมายทำได้ค่าสัตว์นี่ไม่ผิดกฎหมายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเป็นอาชีพสดจริตทางกฎหมาย แต่ทางกฎแห่งกรรมนี้ไม่เป็นอาชีพที่สุดเจริญนะเป็นอาชีพที่เป็นบาปเป็นกรรมยิ่นี้อย่าทําผิดศีลทั้งห้าข้อคืออย่าฆ่าสัตว์อย่ารักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีฮสมัยนี้ประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ถือว่าเป็นผิดกฎหมายผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาก็ทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เห็นไหม อาบอบนวดต่างๆนี่เป็นสถานที่มีการประพฤติผิดประเวณีถึงแม้กฎหมายจะว่าผิดแต่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายก็หูหนวกตาบอดเอาหาันเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ก็เลยปล่อยให้มีแด่งบันเทิงเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองแม้กระทั่งข้างวัดข้างวาก็ยังมีอันนี้ ทางโลกเขาถือว่าไม่ผิดนะแต่ทางกฎแห่งกรรมนี่ถือว่าผิดเนี่ยถ้าทางโลกถือว่าผิดนี่พัทยาใต้นี้เจ๊งไปหมดเลยปิดหมดบา์เบอร์อะไรต่างๆนี่เปิดไม่ได้แต่ทางโลกก็ถือว่าไม่ผิดนะแต่ทางกฎแห่งกรรมนี่เขาถือว่าผิดเพราะถือว่าเป็นการประพฤติผิดประเวณี การดืด่มสุรายาเมาก็ผิดเนี่ยเบียบบาเบียต่างๆนี้ต้องปิดหมดถ้าถือตามกฎแห่งกรรมนะเพราะเป็นที่สร้างความมัวเมาให้กับคนนั่นเองเพอคนเมาแล้วทีนี้ก็หน้าด้านทำบาปได้ง่ายไม่กลัวบาป้ะหน้าด้านขึ้นมาเพราะเลาเมาแล้วไม่รู้สึกละอายไม่มีความละอายสังเกตคน คนเมาแล้วดูวิทยาการสวยงามไม่สวยงามพูดจาหยาบคายทําอะไรต่างๆให้เกิดความเสียหายหต่อผู้อื่นเพราะตอนั้นความละอายมันไม่มีในใจสุลานี้มันไปทําลายความละอายในใจทําให้ใจเป็นใจด้านเขาเรียกว่าหน้าด้านกล้าทําสิ่งที่คนธรรมดาคนที่ไม่เมาไม่กล้าทํากัน พระพุทธเจ้าจึงต้องห้ามดื่มสราด้วยนี่คือบาปห้าข้อที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันว่าทำแล้วจะมีผลต่อดวงวิญญาณของพวกเราพวกเราอาจจะไม่รู้เสียได้ซ้ําไปว่าเรามีดวงวิญญาณที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะต้องไปรับผลของบุญของบาปที่เราทํากันไว้ในตอนนี้นถ้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว พระทุกรูปพระอริยะทุกรูปยืนยันนอนยันเลยว่าบาปมีจริงบุญมีจริงดวงวิญญาณเป็นของไม่ตายคือจิตใจของพวกเราผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้ที่ใช้ร่างกายให้เราไปทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายดวงวิญญาณนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์รถยนต์นี้เป็นเหมือนร่างกาย เวลารถยนต์พังไปคนขับไม่ได้พังไปกับร่างกายคนขับที่ต้องการใช้รถยนต์ก็ไปหาซื้อรถยนต์คันใหม่ช่วงที่ยังไม่ได้ซื้อก็ต้องเดินไปถ้ามีเงินก็สามารถใช้รถแท็กซี่ได้คนที่เวลาร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณที่ยังไม่มีร่างกายอันใหม่ ก็มีบุญเป็นอะถ้าสร้างบุญไว้ก็มีที่พักที่บุญสร้างไว้ให้ถ้าบาปสร้างไว้ให้ก็มีคุกตารางรออยู่ให้ไปติดคุกติดตารางในอบายสี่ที่ด้วยกันนี่คือความจริงสวาขาโตภะกวตาธรรมโอทมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ชอบแล้วคือตรงกับความจริงทุกอย่างเป็นของจริงมีจริง เพียงแต่ว่าตาของพวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราใช้ตานอกเราไม่ใช้ตาไหนเรามีสองตาแต่เราใช้ตาเดียวคือตานอกตาของร่างกายตาของร่างกายนี้มองไม่เห็นดวงวิญญาณมองมองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์ชั้นต่างๆ ต, ต้องใช้ตาไหนแต่เราใช้ตาไหนาไม่เป็นกันเพราะเรามัวแต่ใช้ตานอก เหมือนคนที่ใช้แต่มือขวาเลวใช้มือซ้ายไม่เป็นถ้าหัดใช้มือซ้ายด้วยต่อไปก็ใช้ได้ทั้งสองมือมือขวาก็ใช้ได้มือซ้ายก็ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่พวกเรามักจะขี้เกียจกันชอบทำอะไรตามสบายถ้าถนัดมือขวาก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆยกเว้นว่าถ้าเกิดมือขวามันเสียเทานมันเจ็บขึ้นมา ใช้มือขวาไม่ได้จึงจะเปลี่ยนมาหัดใช้มือซ้ายกันแต่ถ้าตราบใดมือขวานี้ยังใช้ได้อยู่เนี่ยจะไม่มีวันที่จะไปคิดใช้มือซ้ายไม่เคยคิดล่วงหน้าว่าเออเผื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดมือขวามันเป็นอะไรไปเราจะทำอย่างไรถ้าเราคิดไว้ก่อนว่ายิ่งถ้าเรารู้ว่ามือขวาของเรามาันจะต้องเสียเนี่ยเราก็อา จ, จะมาหัดใช้มือซ้ายกันก็ได้เนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันพวกเราไม่เคยคิดแบบว่าต่อไปตานอกของพวกเรากจะต้องเสียกันเวลาตานอกเสียเราก็ต้องอาศัยตาในาแต่เราไม่ใช้ตาในาเราก็เลยมืดบอดเราเลยไม่รู้สิ่งต่างๆที่ตาในาสามารถมองเห็นได้สิ่งที่ตาในาสามารถมองเห็นได้คือพวกดวงวิญญาณต่างๆนี้ที่ที่อยู่ที่ไปของดวงวิญญาณต่างๆ เชนสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นอริยเจ้าหรืออบายในในแดนต่างๆนี่เป็นของจริงทั้งนั้นแต่เราไม่มีตาในเราไม่เปิดตาในเดีกันเราใช้ตาในไม่เป็นมีพระพุทธเจ้ากับพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่หัดใช้ตาในกันะ พอท่านใช้ตาในเป็นท่านก็เห็นเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นดวงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เห็นเหตุที่อะไรที่พาให้ดวงวิญญาณไปเวียนว่ายตายเกิดกันและเห็นเหตุอันใดที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณต่างๆนี้สิ้นสุดลงต้องเปิดตาในเนี่ยวิธีเปิดตาในก็คือเนี้ยต้องปฏิบัติธรรม ต้องภาวนาเนี่ยการภาวนานี่แหละเป็นการเปิดตาในเป็นการหัดใช้ตาในเวลาเรานั่งสมาธิเราต้องปิดตานอกนั่งหลับตาเพื่อเราจะได้เปิดตาในได้เราจะใช้ตาสองตาพร้อมกันไม่ได้จะใช้ตาในกับตานอกพร้อมๆกันไม่ได้ต้องปิดตานอกปิดตาหูจมิกจมูกดิ้นกายภายนอก เพื่อจะได้เปิดตาหูจมูกลิ้นกายภายในไดเน้เหมือนกับเวลาเราดูหนังนในโรงภาพยนตร์นี่เขาต้องปิดไฟก่อนต้องทำให้มืดก่อนแล้วถึงจะฉายหนังได้ถ้าเปิดไฟแล้วฉายหนังนี่มองภาพไม่ชัดนะมันมีแสงมารบกวนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปิดตาหูจมูกดิ้นกายนอกเราก็จะเปิด ตาหูจมูกลิ้นกายภายในไม่ได้หรือถ้าเปิดก็จะมองไม่เห็นไม่ชัดเนี่ยเราถึงเวลาที่เราฝึกสมาธิการนั่งสมาธิเราจึงต้องสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายปิดอันไหนได้ก็ปิดปิดตาได้ก็ปิดปิดหูไม่ได้ก็อย่าไปสนใจกับเสียงที่เข้ามาทางหูหรือ พยาาไปอยู่ที่เสียงที่เข้ามาในหูแล้วไม่มาลบกวนใจอย่าไปอยู่ที่มีเสียงที่เข้ามาในหูแล้วมารบกวนมาสะเทือนใจเช่นต้องไปอยู่ที่ตามป่าตามเขาที่รูปเสียงกดลดิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้จะไม่มาลบกวนใจใจต้องต้องการความสงบ จะสงบได้ต้องไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกมารบกวนแล้วก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดที่คอยรบกวนใจไม่ให้สมบนะผู้ที่จะภาวนาจึงต้องมีทั้งการสำรวมตาหูจมูกริ้นกายก็คือการรักษาศีลแปดนีเ่เป็นการสำรวมการ ตาหูจมูกริางกายไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นสีนข้อสของสีห้าก็เปลี่ยนของสีล8ดก็เปลี่ยนเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนเพื่อที่จะตัดรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้จากแฟนเข้ามาในใจถ้าไปสัมผัสเสบรูปเสียงกลิ่นรส ลปเสียงกิริยนั้นก็จะขัดขวางการทําใจให้สงบขัดขวางการเปิดตาในให้เปิดขึ้นมานั่นเองตาในจะเปิดขึ้นมาได้จะเห็นสิ่งต่างๆในโลกของดวงวิญญาณได้นี่ต้องปิดตานอกแล้วก็เปิดตาในปิดปิดตาหูจมูกนิ้นกายเสียงข้อสารก็ปิดทาง การร่วมหลับนอนกับแฟนศีลข้อหก็ปิดเรื่องรับประทานอาหารรูปเสียงกิดลดที่มากับอาหารศีลข้อเจ็ดก็ปิดรูปเสียงกิดลดที่มากับมหัศลศพบันเทิงต่างๆแล้วก็ศีนข้อแปดก็ปิดการหลับนอนมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการเพิ่มศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดพอถือศีลแปดแล้วถือว่าเรามีการสำรวมอินทรีย์แล้ว สำมรวมตาหูจมูกลิ้นกาแล้วแล้วปิดทวารทั้งห้าภายนอกได้แล้วทีนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ยังมาลบกวนใจอยู่ก็คือตัวความคิดปรุงแต่งของใจเองเราก็ต้องใช้สติเป็นตัวที่มาหยุดความคิดปรุงแต่งนอกจากถือศีลแปดแล้วก่อนที่จะนั่งสมาธิได้เราก็ต้องเจริญสติก่อน ต้องสร้างสติเพื่อมาหยุดความคิดให้ได้วิธีสร้างสติก็ต้องใช้กรรมฐานกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่จะมาหยุดความคิดบงกางต่างๆเช่นพุทธานุสติก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธการเจริญสติด้วยพุทธด้วยล่ำนึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติ การเจริญพุทธานุสติวิธีที่ง่ายที่ย่อที่สั้นก็คือให้นึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเรานัเลิกถึงพุทโธพุทโธไปเราจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เราจะหยุดความคิดเรื่องอื่นได้นะหรือถ้าเราอยากจะเอาแบบพิสดารเราก็สวดบทพระพุทธคุณไปสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆหลายๆรอบหลายๆจบ สวดไปจนกว่าความคิดต่างๆจะหายไปพอหายไปเราก็หยุดสวดจิตก็จะสงบเข้าสู่ความสงบได้พอจิตสงบปั๊บก็เหมือนปิดไฟเปิดเปิดจอเปิดเครื่องฉายหนังในโรงภาพยนตร์พอปิดไฟข้างนอกหมดแล้วก็เปิดจอเปิดเครื่องเครื่องฉายภาพยนตร์ ภาพพยนภาพก็จะปรากฏขึ้นมาในจอใจทันทีภาพที่เราจะเห็นก็คือโลกของดวงวิญญาณ น, นี่ที่เราเรียกว่าโลกทิศเราจะเห็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆที่ทำบุญไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ที่ทำบาปไปอยู่ที่อบายส่วนนั้นส่วนนี้จะเห็นได้พอเราเปิดตาในปิดตานอกแล้ว ปิดตาหูจมูกลิ้นกายภายในแล้วก็ปิดตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเห็นกันพระสาวกเมื่อก่อนก็ไม่ได้เห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพวกเราพระสาวกก่อนจะเป็นสาวกก็เป็นพวกเรานี่แหละเป็นพวกหูหนวกตาบอดทางทางภายในใจหูหนวกตาบอดในภายในมีมีหูมีตาอยู่ภายนอกเห็นแต่สิ่งที่อยู่ภายนอกเห็นสิ่งที่ เห็นผ่านทางตาหูจมกูกเน้นกายของร่างกายแต่ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเนี่ยแต่พอเราปิดตานอกได้แล้วหยุดความคิดบุงแต่งได้ทำจิตให้สงบได้ตาในก็จะเปิดขึ้นมาทันทีผู้รู้เนี่ยพอจิตรวมสงบว่าผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมาชัดเจนเต็มดวง <c ười> ผู้รู้นี่แหละเป็นผู้รู้ เรื่องของโลกทิพย์เรื่องของดวงวิญญาณเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเรื่องของอบายต่างๆเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการดุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่กับโลกของพระอริยเจ้าอยู่กับพระโสดาบันอยู่กับพระสกิฎาคามีอยู่กับพระอนาคามีพระอรหัน อยู่ที่พระนิพพานเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ตอนนี้ตาในเรามืดบอดเราใช้ตาในไม่เป็นเปิดตาในไม่เป็นเราเลยคิดว่าเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังนี้เป็นนิยายกันคิดว่าเป็นจริงได้ยังไงในเมื่อเราตานอกเราพิสูจน์มองไม่เห็น สวรรค์อยู่บนฟ้าก็ส่งจรวดขึ้นไปหาแล้วก็ไม่เห็นมีสวรรค์บนฟ้าลงไป ใ, ใต้ดินใต้บาดาลก็มีแต่น้ํามันจะขุดเจาะลงไปใคิดว่าอยู่ใต้บาดาลอยู่ใต้ดินนกรกพอขุดส่งใช้เครื่องขุดเครื่องเจาะเข้าไปสารวจก็มีแต่น้ํามันโผล่ขึ้นมามีแต่เพชรนินจินดาต่างๆแต่ไม่มีนรก ก็เลยทำให้เราไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกได้ก็เลยทำให้เราไม่กลัวบาปกันไม่อยากจะทำบุญกัน mm hmm. เพราะทำแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรทำบุญแล้วสวรรค์มันไม่มีแล้วใครไปเป็นผู้ไปไปสวรรค์ก็ไม่รู้อีกเพราะเราคิดว่าเรามีเพียงร่างกายเท่านั้น แล้พอเราเห็นเพียงร่างกายเท่านั้นเราไม่เคยเห็นใจที่เป็นตัวเราไปเห็นร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ไปคิดว่ามันเป็นตัวเราแล้วก็ไปคิดว่าพอมันตายแล้วมันก็กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครจะไปสวรรค์ใครจะไปอบายมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป ก, กัน ไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์กันก็เลยไม่กลัวบาปกันใช่ทำผิดศีลกันอย่างสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันแล้วก็บุญก็ไม่ทำกันหาความสุขจากการเที่ยวเต่ดีกว่าหาความสุขจากมหัรศ บ, บันเทิงต่างๆหาความสุขจากการซื้อข้าวซื้อของที่อยากได้า ก, ก, าออ ก, ไดก็เลยไม่ได้มี การทำบุญทำทานไม่มีการรักษาศีลแล้วพอเวลาตายไปดวงวิญญาณไปรับผลบาปก็ไม่รู้เพราะไปแบบคนเมาไปไปไม่ได้บาปลืมตาพวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขามาเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องอยู่ไปตามสาภาพของสัตว์เดรัจฉานเหมือนคนที่ติดคุก เมื่อติดคุกก็ต้องอยู่ตามภาษาของคนติดคุกจะอยู่แบบคนที่ไม่ติดคุกก็อยู่ไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วอยากจะมาอยู่แบบมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าทาไมตนเองถึงต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานทำไมตนไม่มาเป็นมนุษย์อันนี้แหละเป็นเพราะว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง แล้ทำไมถึงไม่ได้รับก็เพราะหนึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองเจอแล้วก็ไม่เชื่ อ, อก็มีเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองพุทธอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เยอะแยะที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่ทำบุญกัน ถ้าเป็นชาวพุทธที่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงเมืองไทยจะต้องไม่มีบ่อนไม่มีสุไม่มีบ่อนไม่มีซ่องไม่มีบาเบียรเอไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์เนี่ยพวกฝรั่งพวกต่างชาติที่เขาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วเขาเรียนรู้ว่าเมืองไทยนี้เป็นเมืองพุทธนี่เขาคิดว่าเป็นเมืองที่สะอาดนะเป็นเมืองที่ไม่มีบา ไม่มีบ่อนไม่มีซ่องไม่มีการกระทำบาปแต่พอมาอยู่เมืองไทยเขาเห็นแล้วตกใจว่ามันเมืองพุทธอย่างนี้เองเหรอทำไมบามันเต็มไปหมดบ่อนเต็มไปหมดคนเมาสุราเต็มไปหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นพุทธในทะเบียนบ้านเขาใช่ไหมไม่ได้เป็นพุทธตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้เป็น ถ้าเป็นพุทธตามหลักนี้ต้องเป็นพุทที่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เอวันพระนี้จะต้องปิดร้านปิดกิจการต่างๆแล้วเข้าวัดกันหมดนไม่มีปิดเลยใ น, ยนวันพระเราชการยังไม่ปิดเลยขนาดราชการยังเปิดเลยแล้วมีการเขาเรียกอะไรนะออกรางวัลออกลอตเตอรี่ด้วย เ <laughs> มื่อวานนี้ไม่ออกเป็นวันครูวันครูไม่ออกแต่วันพระออกได้คิดดูก็แล้วกันว่าเป็นพุทธแบบไหน <laughs> นี่แหละเราเป็นพุทธแบบทะเบียนบ้านกันพุทธแต่ชื่อแต่เนื้อหาสาระของพุทธนี่ไม่มีกัน ถ้าเป็นพุทธแทนนี้รัฐบาลจะต้องทําเป็นตัวอย่างนะวันนี้ต้องเป็นวันหยุดราชการเป็นวันไม่ทํางานปิดถ้ารัฐบาลปิดแล้วธุรกิจอย่างองื่นเขาก็ปิดตามหมดธนาคารก็ปิดตลาดหุ้นก็ปิดอะไรก็จะปิดกันแล้วทุกคนนี้จะมาเข้าวัดนั่นกันไปหมดเลยนี่แต่ละวันหลงเหลงมีแต่หมาวันมีแต่นกคี้ลาบเต็ไมไปหมด แต่คนไม่เข้าวัดกันเลยนี่แหละเมืองพุทธเป็นอย่างนี้ต่างชาติที่เขาไม่เคยเห็นของจริงเขาอ่านตามตำราเขาก็ต้องคิดว่าถ้าเป็นชาวพุทธแล้ววันพระนี้จะต้องหยุดทำงานกันจะต้องเข้าวัดกันบ่อนก็ไม่มีบาเบียก็ไม่มีซ่องก็ไม่มีการทำบาปก็ไม่มีเมืองไทยถ้า รักษาศีลห้ากันได้แล้วจริงๆนี้ไม่ต้องมีตำรวจนะไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีคุกมีตารางเพราะถ้าทำศีลห้าแล้วก็จะรักษาศีลห้าได้แล้วก็จะไม่ไปทำให้ใครเสียหายเดือดร้อนไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีคุกมีตารางบ้านช่องก็ไม่ต้องมีกุญแจแต่นี่มันเหมือนกับบ้านเหมือนกับประเทศที่ไม่ใช่เป็นพุทธเนี่ย เหมือนกันทุกอย่างประเทศที่ไม่เป็นพุทธเขามีอะไรประเทศที่เป็นพุทธก็มีเหมือนเขาแล้วมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงชื่อนั่นเองชื่อต่างกันที่ประวัติความเป็นมาในอดีตนี้เราเป็นพุทธมากกว่าในปัจจุบันในอดีตนี้เราหยุดทางานกันในวันพระจริงๆสมัยก่อนี้วันหยุดของทางราชการเป็นหยุดวันพระวันโกนแต่สมัยนี้ หยุดวันพระวันโกนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาตินีต่างชาติเขาไม่หยุดทําธุรกิจในวันพระวันโกนเขาหยุดวันพระวันโกนของเขาเขาเป็นคิดเขาก็หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์กันแต่เราเป็นพุทธเราหยุดวันพระวันโกนแต่เมื่อเราต้องติดต่อกับเขาทําธุรกิจกับเขาเราก็เลยต้องหยุดตามเขา เขาหยุดวันพ้าของเขาเราก็เลยไปถือวันพ้าของเขาเป็นวันหยุดของเราแทนส่วนวันพักของเราเราก็โยนทิ้งไปเราก็เลยไม่ได้เข้าวันไม่เลยไม่ได้เข้าวัดทั้งสองวันวันพักก็ไม่ได้เข้าพอวันเสาร์อาทิตย์ก็อ้างว่าไม่ใช่เป็นวันพักก็ไม่ต้องเข้าอีก ก็เลยอยู่ห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยไม่รู้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าสอนให้เราทําอะไรกันเราก็เลยไม่รู้เรื่องของพระพุทธาศาสนาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามความรู้สึกนึกคิดของเราเราคิดว่าอะไรทําให้เรารวยเราก็ทํากัน เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ออกกฎหมายให้เปิดบ่อนเซลีได้ใช่หให้มีบ่อนถูกกฎหมายไม่ต้องมาเล่นกันแบบหลบๆซ่อนๆจะได้เปิดคาสิโนโเหมือนกับประเทศข้างบ้านใช่ไหเดี๋ยวนี้คนไทยเวลาอยากจะไปบ่อนต้องไปแถวชายแดนใช ไ, ไปแถวกัมพูชานี่มีบ่อนหรูหราให้ไปนั่งเล่นไม่ต้องมานั่งหลบเล่นตาม ที่ในที่ต่างๆในบ้านในเมืองพวกที่เห็นว่าโอ้ยเปิดบ่อนแล้วจะทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจะได้มีงานทํามีรายได้ก็เลยพยายามผลักดันกฎหมายอันนี้โดยไม่สนใจว่าพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้เปิดบ่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่ให้เปิดบ่อนเพราะโทษที่เรามองไม่เห็นมันมีมากกว่าคนที่เรามองเห็นะ คนประโยชน์ที่เรามองเห็นใช่เราก็พอเปิดบ่อนเราก็เก็บภาษีได้เปิดบ่อนเราก็เก็บค่าใบาอนุญาตได้ใครจะเปิดบ่อนก็ต้องเสียค่าอนุญาตแล้วพอทำดำเนินกิจการถ้าได้กาไรก็เก็บภาษีได้เขาก็ไม่มองตรงส่วนที่เขาเห็นแต่ส่วนที่เขาไม่เห็นก็คือคนที่มาเล่นการพนันเนี่ยเวลามันเจ้งเนี่ยมันขาดทุนนี่มันทำยังไง ออมันไม่มีเงินทองบางทีมันก็ต้องไปทำผิดกฎหมายแล้วสิไปค้ายาเสพติดไปค้าประเวณีไปลักขโมยไปช่อโกงเนี่ยมันไม่เห็นตรงนี้กันเห็นแต่เห็นแต่ส่วนที่ได้แต่ไม่มองถึงส่วนที่เสือที่ตามมาทำให้จิตใจคนเราตกต่ำขาดศีลธรรมขึ้นมาเพราะความ ดิ้นรนที่จะหาเงินมาเล่นการพนันเวลาเสียก็จะต้องเล่นต่อเพื่อเอาคืนเวลาได้ก็อยากเล่นต่อเขาคิดว่าเล่นแล้วได้ก็อยากจะได้อยากก็จะเล่นต่ออย่างนมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆไม่ว่าได้ไม่ว่าเสียจะหยุดก็ต่อเมื่อไม่มีเงินเล่นเท่านั้นเองแต่มันติดใจแล้วจะทำไงเวลาไม่ได้เล่นมือไม้ก็สั่นเหมือนคนติดโซรา ตอนที่ติดสลาแล้วพอไม่ได้ดื่มสลามือไม้ก็สั่นไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันพวกที่ติดการพนันแล้วเวลาไม่มีเงินเล่นก็จะทำยังไงก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาเล่นไปโป้นไปจี้แล้วดีไม่ดีก็ไปฆ่าฟันกันอีกนี่เป็นผลเสียที่ตามมาแล้วนอกจากตายหลังจากตายไปแล้วก็ยังต้องไปติดคุกติดตารางในอบายต่อเนี่ นี่แหละเป็นส่วนที่พวกที่พยายามผลักดันให้มีอบายมุขต่างๆถูกกฎหมายเนี่ยเป็นพวกที่หูหนวกตาบอดคือหูหนวกตาบอดภายในมองไม่เห็นโลกของใจลง ม, มองไม่เห็นโลกของดวงวิญญาณที่จะต้องไปรับผลของการกระทำบาปของการเสพอบายมุขต่างๆอันนี้แหละ สาเหตุก็เพราะว่าเนี่ยไม่หยุดทำงานในวันโกนวันพระกันไม่เข้าวัดในวันโกนวันพระกันสมัยนี้เข้าก็เข้าไม่ถึงวัดเชื่อไหมเข้าไปแค่ที่โบสถ์เท่านั้นไปโบสแล้วก็ไปจุดธูปเทียนสามดอกเอาดอกไม้ไปบูชาพระพุทธรูปแล้วก็กราบขอนูน่นขอนี่ขอให้เริ่มขอให้รวย ขอให้เป็นใหญ่เป็นโตขอให้มีอายุยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรงเสร็จแล้วก็กลับบ้านว่าไปได้ไปวัดแล้วไปวัดแบบนี้เขาเรียกว่าไปแค่ประตูวัดอย่างแบบไปไม่ถึงตัววัดเพราะตัววัดจริงๆไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปไม่รู้เรื่องรางของเราหรอกเราไปขออะไรท่านไม่รู้เรื่องหรอกเช่นวันนี้ขอให้ถูกหวยท่านก็ไม่รู้หรอกท่านก็นั่งของท่านเฉยๆไป เราก็ขอไปอย่างนั้นเนี่ยแต่พอถ้าถูกก็ยกคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธรูปเลยอ๋อมาขอหวยจากองค์นี้ถูกหวยก็ไปโฆษณาบอกคนอื่นคนอื่นอยากจะถูกหวยก็เชื่อก็มาขอกันใหญ่กลายเป็นเรื่องการมาขอเงินขอทองไปการเข้าวัดนี้ไม่ได้ให้มาหาเงินหาทองหาลาภหายศกันนะ การมาวัดนี่หามาหาความรู้มาหาธรรมะเป็นความรู้การจะมาถึงวัดได้ต้องมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นี่มีจริงการเวียนว่าตายเกิดนี่มีจริงไม่ใช่มาแค่ที่โบสถ์แล้วจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็เบิร์จากเงินใส่เข้าไปในตู้หน่อยแล้วก็ ขอพรเสร็จแล้วก็กลับบ้านนี่นี่เป็นการเข้าวัดของชาวพุทธส่วนใหญ่ข้าพุทธเข้าแบบเข้าแบบหูหนวกตาบอดคือไม่ได้เรียนรู้เรื่องของตัวเองเลยไม่ได้เรียนรู้ว่าตัวเองนี้เป็นใครจะไปไหนต่อต้องฟังเทศฟังธรรมถึงจะรู้ว่าตัวเองนี่คือดวงวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่มาเกาะร่างกายชั่วคราว ตอนนี้เราก็ติดกับร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราให้ร่างกายพายเราไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปได้อะไรต่างๆมาแต่ต่อไปร่างกายของเรามันจะหมดกําลังมันจะหมดลมมันจะไม่สามารถทําหน้าที่หาความสุขให้กับเราต่อไปได้ เราที่เป็นดวงวิญญาณมาเกาะร่างกายก็ต้องไปหาความสุขในโลกของดวงวิญญาณต่อไปถ้าเราไม่ได้เตรียมที่พักไว้เตรียมที่หาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่มีที่ไปกันถ้าเราไปทําบาปในขณะที่เราใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆเราก็จะมีคุกตารางรอเราอยู่เราก็จะมีอบาย ไปไปอยู่ไปอยู่กับพวกเดลฉานบ้างไปอยู่กับพวกเปรตบ้างไปอยู่กับพวกอสุรกายบ้างไปอยู่กับพวกนรกบ้างเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันศาชานามีไว้เพื่อสอนพวกเราเรื่องราวเหล่านี้เท่านั้นเองเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้ดวงวิญญาณของเรานี้ ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเนี่ยเห็นไหมเวลาคนตายเราจะพูดยังไงขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเนาะขอไม่ได้หรอกการจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบนี่ต้องจองที่พักไว้ต้องจองที่ชอบไว้ต้องเตรียมที่ชอบไว้ต้องซื้อที่ชอบไว้ต้องซื้อเหมือนเรารู้ว่าบ้านเก่าของเราจะพังเราก็ต้องไปซื้อบ้านใหม่เตรียมไว้ก่อนใช่ไหมรู้ว่าบ้านนี้เดี๋ยวมันจะพังลนะมัน หลังคาเริ่มรั่วแล้วเสามันเริ่มเอ็นนะรู้แล้วถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวมันต้องพังแ น, น่ๆเราจะทํำยังไงเราก็ต้องรีบไปหาที่ใหม่จองไว้ก่อนนะไปซื้อที่ไปสร้างบ้านหรือเขามีบ้านสร้างสําเร็จแล้วเราก็ไปซื้อไปจ่ายเงินดาวก่อนก็ยังได้พอเกิดบ้านนี้ล้มลงมาอยู่ไม่ได้อเราจะได้มีบ้านใหม่ไปอยู่ทันทีนอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็เป็นเหมือนบ้านเก่านะ ต่อไปร่างกายของเรามันก็จะต้องพังไปพอมันพังแล้วเราก็ต้องย้ายออกจากบ้านเก่าถ้าเราไม่มีบ้านใหม่อยู่เราก็ต้องไปอยู่แบบขอทานเนี่ยไปอยู่ตามข้างถนนไปอยู่ตามใต้สะพานไปอยู่ตามวัดเนี่ยไปอาศัยวัดอยู่เพราะเราไม่ได้เตรียมซื้อบ้านไว้ก่อนนั่นเอง อันนี้ที่เราไม่เตรียมกันเพราะเราไม่รู้ไงว่าหลังจากที่ร่างกายที่เป็นบ้านเก่าของเราพังไปแล้วเรายังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังต้องไปหาบ้านใหม่อยู่ต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันให้รู้ว่าเราเป็นใครกันแนะ่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่เป็นใจเวลาที่อยู่กับร่างกาย เวลาไม่ได้อยู่กับร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณจะไปที่ชอบที่ชอบหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าตอนนี้เราเตรียมที่ชอบที่ชอบให้กับดวงวิญญาณหรือไม่ถ้าเราทําบุญทําทานรักษาศีลอยู่เรื่อยๆบําเพ็ญจิตตภาวนาระดับสมรรถะระดับวิปัสสนาเราจะมีที่เลือกไปเยอะแยะไปหมดเลยจะไปที่ ที่อยู่ของเทวดาก็ได้ไปที่ที่อยู่ของพรมก็ได้ไปที่อยู่ของพระอริยก็ได้ไปอยู่ที่ของพระพุทธเจ้าก็ได้เราสามารถเลือกไปได้ถ้าเรามาศึกษามาเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้มามาเตรียมบ้านใหม่กันบ้านเก่าของเราคือร่างกายมันจะพังมันมันจะเก่าไปเรื่อย แล้ววันดีคืนดีมันก็จะพังและเวลาพังบางทีมันยังไม่ทันเก่ามันก็พังได้บางทีโดนแผ่นดินไหวยบ้านก็พังได้เจอน้ำท่วมบ้านก็บ้านก็เสียหายได้เจอไฟไหม้บ้านก็พังได้อย่างนี้นคนเราไม่ต้องรอเวลาแก่ถึงจะตายไม่ต้องรอเวลาเจ็บถึงจะตายอยู่ดีๆนอนหลับไปไม่ตื่นขึ้นมาก็ตายก็เรียกว่าหลายตายหลับตาย หัวใจวายขึ้นมาก็ตายได้ความดันสูงก็ตายได้เพราะฉะนั้นความตายนี้มันไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้แก่ให้เจ็บก่อนถึงจะตายเสมอไปดังนั้นถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมที่อยู่ของเราให้รีบให้ทันท่วงทีคืออย่าประมาทรีบทำเสียแต่วันนี้ในขณะที่เรายังทาได้ เพราะวันพวกนี้เราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่นะฮะแล้วเราจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ต้องรอให้คนนั้นคนนี้มาสวดขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ต้องไปนิมนต์พระมาสวดกุศลาเนี่ยหลวงปู่แบนท่านเสียท่านสั่งไม่มีการสวดอภิธรรมไม่มีการสวดกุศลาคำว่ากุศลาก็คือฉลาดกุศลแปลว่า สร้างกุศลสร้างความฉลาดด้วยปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ใช้ปัญญานี้มาสร้างที่ชอบที่ชอบให้ขณะก่อนที่จะตายนั่นเองเนี่ยคนที่เขามีที่ชอบที่ชอบแล้วนี่เขาไม่ต้องให้ใครมาสวดไปส่งเขาไปที่ชอบที่ชอบหรอกคนที่ไม่มีที่ชอบต่อให้มีคนสวดก็ส่งไม่ไปอยู่ดีเพราะมันไม่มีที่ไปไม่ได้จองที่พักไว้ก่อนแล้วจะไปได้ไง ไปถึงที่นั้นเขาบอกคุณชื่ออะไรคุณจองที่ภาคไว้หรือเปล่าคุณจ่ายเงินหรือเปล่ า, าไม่มีก็ซอรี่เสียใจ <c oughs> นั้นไม่ต้องรอให้คนเข้ามาสวดขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดกุศลธร ร, รมากุศลธร ร, รมพระพอสวดไปก็ไปไม่ได้อยู่ดีจะไปหรือไม่ไปอยู่ที่เราทำมันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้ คือทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาสามถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วเราจะสามารถเลือกที่ชอบที่เราไปเราชอบสวรรค์ชั้นเทพก็ไปเทพได้ชอบสวรรค์ชั้นปรมก็ไปอยู่กับพรหมได้ชอบสวรรค์ชั้นอริยเจ้าก็ไปอยู่กับป้าอริยเจ้าได้ถ้าเรามาทําสิ่งที่เป็นมงคลในวันพระเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราเป็นมงคลขึ้นมา นี่คือเรื่องของวันพระเรื่องของความเป็นมงคลที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหา ป, ร ป, ารปุราปาลิกปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตตาังอุปกปะติอิชิตังปฏทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะราโสยะามะนีโุติราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัมช่วงต่อปไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียว หลังจากที่เลิกแล้วก็ขอยุติบางท่านพอเลิกแล้วก็จะเข้ามาถามไม่รู้พูดภาษาเดียวกันหรือเปล่าพูดเราพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็เข้ามาทุกทีรอให้เลิกก่อนแล้วค่อยถาม้เวลาไม่เลิกให้ถามไม่ถามจะมาถามสองต่อสองมันไม่มีเวลาแล้วพอเดี๋ยวเลิกก็ท่องทำกิจอย่างอื่นต่อมีภารกิจอย่างอื่นต้องทําต่อ ตอนนี้ว่างตอนนี้พร้อมที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเป็นเราถามก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ขอนะขอความกรุณานี่คือ ก, กฎกติกาที่ตั้งตั้งไว้ในเกี่ยวกับเรื่องการถามคำถามเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะถามยาวไปถึงเย็นถามสองต่อสองโอ้ย ม, มีคาถามเยอะแยะออกมาหมด พอให้ถามหน้าไม้นี้คําถามเว่งนี้หมดนะถ้าเป็นคำถ้าเป็นคําถามจริงแล้วหน้าไมา่หลังไม่ก็ถามนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นคําถามที่อยากจะถามหลังไมน้นี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นคําถามจริงไม่ต้องถามก็ได้อืเพราอถ้าเป็นคําถามจริงมันไม่สนใจแล้วจะหน้าไมา่หรือหลังไม่มันอยากจะได้คําตอบมันถามได้อืวันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะทาง a c e b o o k 492 YouTube 332วิทยุออนไลน์28รับฟังบนเขา71รวมทั้งสิ้น923ท่านค่ะ มีคำถามเข้ามาก็เชิญเลยคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะกราบเรียนกราบนมัสการเรียนถามครับในศาสนาพิธีที่ปฏิบัติต่อต่อกันมามีบางส่วนที่แปลกๆควรจะศึกษาบัญญัติจากส่วนใดบ้างครับจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมไม่หลงทางและเลอะเทอะครับก็อย่าไปมีมันเลยก็ได้ ศาสนาพิธีไม่มีก็ไม่ได้ทำให้ศาสนานีา้พิการไปแต่อย่างใดสิ่งที่ทำให้ศาสนาเราพิการคือการศึกษาปฏิบัติปฏิเวทมีสามส่วนนี้ที่เราต้องสนใจศึกษาคำสั่งคำสอนวิธีการปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้องไม่เกี่ยวกับศาสนาพิธี เพียแต่เรื่องของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเท่านั้นขอให้รู้เท่านี้ก็พอการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ไม่ต้องมีพิธีหรือจองก็ได้มีก็ได้เช่นถวายทานวันนี้ญาติโยมจะขออนุญาตกล่าวกล่าวคําถวายก่อนก็ได้ว่าขอถวายเป็นสังฆทานขอถวายเป็นผ้า ป, ป่าถวายอะไรอันนี้เป็นพิธี บางทีจะเท้าไอท้ทีโอ้ยตั้งไหว้ครูกันหลายรอบกว่าจะได้ถวายกันแต่ถวายเสร็จแล้วมีพธิธีไม่มีพธิธีมันก็ได้ผลเท่ากันได้ทําบุญทําทานเท่ากันได้บริจาคข้าวของเงินทองที่เราต้องการบริจาคเหมือนกันบางคนต้องเอารูปคนตายมาติดมาตั้งด้วย เอาสายศิลมายงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของความเชื่อที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริงแต่อย่างใดเนี่ยบางคนก็ต้องมีน้ํามีที่กวดน้ำมีอะไรเนี่ ย, ยที่นี่ไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าคุณติดตามดูที่นี่เราจะรู้ว่าไม่มีศาสนพิธีเนี่ยขึ้นเวทีก็ต่อยกันเลย <laughs> ไม่มีการมาไหว้าาครูกันลำกันรอบเวทีสามรอบสี่รอบ <c oughs> บทแรงพอดีไหมอย่าพอไหว้ครูเสร็จก็อยากจะข อ, อกลับบ้านนะอันนี้ขึ้นมาปับหน้ามอ็ยังไม่ตั้งเห็นไหมเหนี่ยธรรมดาถ้าไปที่มีพิธีเขาแสดงธรรมก็ต้องชุมนุมเทวดาก่อนแล้วก่อนจะชุมนุมเทวดาก็ต้องมีอาราธนาธรรมอกีกขอ ขอขอนิมณ์พระเดชพระคุณท่านได้ปวดแสดงทำปวดให้กับสัตว์โลกอะไรก็ว่าไปแล้วก็ต้องมาชวนเทวดาเทวดองเ ท, ว ด, งทวดามาร่วมฝังธรรมด้วยไ ป, ไปยุ่งกับเขาทำไมอ อ่าก่อนจะแสดงก็ต้องขอศีนอีกเอตั้งศีลก่อนถ้าไม่มีศีนเ้วเดี๋ยวฟังธรรมะจะไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อีกต้องมีศีลมาลองรับอีกต้องมาธรรมะสมาทานศีนห้ากันกอีกน้อยกว่าจะได้เข้าถึงเนื้อธรรมหมดไปครึ่งชั่วโมงเนื้อธรรมอลไรก็แล้วลดเหลือแค่สิบนาทีพอหอมปากหอมคอนี่แต่ถ้าไม่มีพิธีกรรมเลยนี่ขึ้นถึงก็ใส่กันเลย ตันนี้วันพระวันมงคลเี่ยมีกิจกรรมที่เป็นมงคลอะไรเขาว่ากันไปอันนี้กว่าจะถ้ามีพิธีกรรมเยอะต้องตั้งนโมสามจกก่อนตั้งเสร็จแล้วยังต้องตั้งหัวเรื่องอีกต้องตั้งบาลีขึ้นมาก่อนการเลอเซวนาจะบาลานังบันติตานันจะเซวนาเอตัมมังกะละมุตตมังแล้วก็มาแปลอีกมาครับ นะกว่าจะเข้าถึงตัวเนื้อเรื่องธรรมะหมดไปเกือบชั่วโมงนะคอนฟังก็เบื่อนะ่ะอยากจะกลับบ้านนะพอถึงตัวเนื้อเรื่องจริงๆเนะี่ยงั้นอย่าเสียเวลากับเรื่องศาสนาพิธีเลยไม่ไม่ไม่ไมลบหลู่นะเราไม่ไ ม, ไม่กล้าลบหลู่นะใครอยากจะทําก็ทําไปแต่ถามว่าได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นกว่าไม่ทมําไม่ได้หรอกนะอาจจะได้ความสวยงามเป็นเหมือน ของประดับอาหารเนี่ยเนื้อทอดเฉยๆมันดูไม่น่ากินใช่ไหมต้องเอาผักชีมาโรยสักหน่อยเอาแตงกวามาประดับสักนิดเอามะเขือเทศมาวางสัหน่อยโอ้เห็นแล้วมีสีมีสันมีหน้ากินมันน่ากินแต่เรากินจริงๆบางทีก็ไม่มีใครกินผักชีกันไม่มีใครกินแตงกวมากินมาเขือเทศกันก็กินเนื้อกันไปเลยออันนี้ก็เหมือนกันธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนเนื้อทอดนวนรฮะ ถ้าเอาเนื้อทาตุล้วนๆมาให้กินบางคนกินไม่อยากกินนะไม่สวยงามเลยต้องมีประดับหน่อยเ อ, เอาผักชีมาโรยหน่อยเอาแตงกวาเอามาเขือเทศมาเอาผักมาลองเนื้อหน่อยให้มันดูแล้วน่ากินขึ้ น, นมาทั้งนะ้แต่เวลากินจริงๆก็กินแค่เนื้อนะผักผักก็เห็นทิ้งไปหมดเราเคยเป็นคนล้างชามในล้านอาหารเนี่ยเวลาล้างจานนี่ของพวกนี้ไม่มีใครกินอยู่นะ เท่านั้นก็นี่คือศาสนพิธีถ้าทำได้ถูกต้องก็ทำไปไม่ว่ากันแต่ถ้าถ้าทำไม่ถูกต้องก็อย่าไปทำมันดีกว่าถ้าอยากจะถามเรื่องศาสนพิธีก็ต้องไปถามที่อื่น <c oughs> คือสรุปคือคำตอบก็คือไม่ไม่สามารถให้คาตอบได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนพิธีว่ามันถูกอย่างไรมันผิดอย่างไรเพราะเราไม่ได้ศึกษา <c oughs> เพราะเราเห็นว่ามันไม่ มันไม่เป็นส่วนสําคัญไม่เป็นส่วนที่จะทําให้มีผลกระทบต่อการ ป, ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมานี้ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นพอไม่ต้องมีพิธีรีจองคําถามจากคุณสุรศักดิ์คะ่ะยมขอถามคําถามหลวงพ่อครับตอนเกิดผมอยู่ในตู้อบตัวเขียวหมอบอกห้านาทีตายอยู่ก็รอดแต่ก็รอดปฏิหาร แต่หมอบอกว่าตัวจะเล็กแคระรอดมาก็เจ็บอ่อดแอดตลอดญาติบอกว่าต้องยกให้เป็นลูกหลวงพ่ออยากได้รับคําแนะนําข้อคิดของหลวงพ่อครับยกก็ต้องยกให้จริงๆเสียถ้ายกให้เล่นๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์พี่ไปยกปั๊บแล้วขอเอาคืนกลับไปเลี้ยงต่ออย่างนี้ก็ไม่ได้ยกเนี่ยยญาติโยมบางคนก็เอาลูกม า, ายกให้เรายกเสร็จแล้วก็ข อ, อกลับไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ให้อยู่ดี ถ้ายกให้ก็ต้องมาบวชเนร์นอยู่กับเราไปเลยใช่ไหมถึงจะยกให้ให้เป็นลูกของเราออันนี้ยังเป็นลูกของโยมอยู่นอันนี้ก็เป็นการพระเรื่งลิงหลอกเจ้าทําลิงหลอกเจ้านั้นเองแก้ไม่ได้นะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมแก้ไม่ได้หรอกกรรมมันทําให้เราต้องมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องชดใช้กรรมไปถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปก็อย่าไปทํากรรมอย่าไปทําบาปทําบาปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อ ความเป็นอยู่ของเราชีวิตร่างกายของเราจะไม่สมบูรณ์สมประกอบอายุจะไม่ยืนยาวนานอาการไม่ครบสามสิบสองโรคภัยไข้เจ็บเบ็ดเดียนส่วนหนึ่งนี้มาจากการกระทำบาปในอดีตเหตนั้นถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ซ้ำสองก็อย่าทำในอย่าทำกรรมในปัจจุบันพอร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายอันใหม่จะได้ไม่เป็นเหมือนกับร่างกายอันเก่า คำถามต่อไปจากคุณแพชรน้ำหนึ่งค่ะขอโอกาสครับบางคนให้ทานแกผู้มีศีลแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นบางคนให้ทานแกผู้มีศีลแล้วกลับไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุอะไรครับก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันเนี่ไม่เกี่ยวน ท with with people, ําทานให้กับคนให้มีศีลหรไม่มีศีลมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของเราอะผลของการดําเนินชีวิตของเรามันไม่เกี่ยวกันการให้ทานนี้มันเป็นการทําจองที่พักในสวรรค์กันแล้วให้กับผู้มีศีลหรือไม่มีศีลก็ไม่เกี่ยวให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ให้กับคนไม่มีศีลก็ได้ให้กับคนมีศีลก็ได้ได้จองที่พักเหมือนกัน วิธีการจองที่พักเขาไม่ได้ติดใจกับเรื่องเรื่องของคนที่รับจองว่าจะต้องเป็นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีศีหรือไม่มีสีเขารับจองให้เราหมดนขอให้เราจองเถิดขอให้เราทําแล้วเราก็จะมีที่พักรอเราอยู่คําถามต่อไปจะคุณสายสนีค่ะ ขอคําแนะนําว่าควรทําสมถกรรมฐานดีกว่าเพราะอะไรคะวิปัสนากรรมฐานถูกจริตกว่าเพราะอะไรคะก็เพราะว่าวิปัสนายังทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทําสมถะนั่นเองถ้ายังไม่ได้อยู่ชั้นป .1 จะไปขึ้นป .2 มันยากงั้เรียนป .1 ไปก่อนทําสมถะภาวนาไปก่อนแล้วถึงจะสามารถไปทําวิปัสนาภาวนาได้ถึงแม้จะถูกจริตก็ต้องรอไว้ก่อน คำถามจากคุณเพลินพิสุทธิ์ค่ะการมีพุโทโธตลอดดีไหมคะดีดีแสดงว่ามีสติตลอดมีสติก็หยุดความคิดได้หยุดความคิดได้นั่งสมาธิจิตก็สงบได้จิตสงบก็มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ใช้เงินไปซื้อมา ก็ทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินให้เหน็ดเหนื่อยมือล้าไปเปล่าๆอยากจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ใช้เงินซื้อก็ไปนั่งสมาธิแทนคําถามจากคุณสุรจิตค่ะขอกราบเรียนถามว่าจิตที่เป็นตัวรู้ควรให้รู้อะไรครับเ อ, อ๋อมันไม่ให้รู้อะไรนมันรู้เฉยๆมันมีหน้าที่รู้เฉยๆรู้แบบไม่โลภรู้แบบไม่โกรธรู้แบบไม่หลง ได้ยินเสียงก็รู้ว่าเขาพูดเขาด่าก็รู้ว่าเขาด่าเขาชมก็รู้ว่าเขาชมแต่อย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับคําด่าคําชมของเขานี่คือการรู้ของผู้รู้ให้รู้แบบนี้แต่ตอนนี้เราไม่รู้แบบนี้เรารู้แบบโลภโกรธหลงพอรู้ว่าเขาด่าเราก็โกรธขึ้นมาพอรู้ว่าเขาชมเราก็ยิ้มขึ้นมาจริงไม่จริงไม่สนใจใช่ไหมเขาว่าเราสวยนี่ยิ้มไว้ก่อนละ จะสวยไม่สวยไม่สนใจคาว่าเราเป็นควายก็กอดขึ้นมาทันทีไม่สนใจว่ารับเป็นควายหรือไม่เป็นก็ไม่สนใจนะนี่แหละไม่รู้แบบนี้คำถามต่อไปจากอาจารย์รบค่ะทำอย่างไรจิตจะยอมรับความจริงและปล่อยวางได้ครับก็เนี่ยต้องทำสมาธิให้มันเป็นอุเบกขา เวลาทำจิตให้สงบแล้วมันจะยอมรับความจริงได้มันจะไม่ต่อต้านมันจะไม่มันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ถ้ามันไม่สง บ, บนี่มันจะรักจะชังจะกลัวจะหลง พอได้รับรู้อะไรทำให้มันชอบมันก็จะรักขึ้นมารับรู้อะไรที่ทำให้มันกลัวมันก็จะกลัวขึ้นมาแต่พอทำสมาธิทำจิตให้นิ่งสงบให้ให้ว่างให้เย็นให้สบายให้เป็นอุเบกขาแล้วทีนี้มันจะไม่มีความรับช่างกลัวหลงอยู่ภายในใจอะไรความเป็นจริงอย่างไรมันก็เป็นจริงอย่างนั้น <c oughs> ไม่ไปปรุงแต่งมันไม่ไปปรุงแต่งว่ามันดีหรือมันชั่วว่ามันน่ารัก <c oughs> น่าชาัง หรือน่ากลัวหรือน่าอะไรเนี่ยเพราะมันไม่มีความคิดปรุงแต่งในขณะนั้นคำถามต่อไปจากคุณยีนค่ะการประกอบอาชีพสุจริตถือเป็นการทําบุญไหมครับก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นบุญจากการให้ทานเป็นการบ้องการการกระทําบาปซึ่งเป็นบุญคือทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบาย คำถามต่อไปจากคุณนิวค่ะถ้าเราสวดมนต์เร็วๆจะเป็นอะไรไหมคะก็ไม่เป็นเ่ยก็แล้วแต่เราอยากจะสวดเร็วก็ได้สวดช้าก็ได้บางทีมันขี้เกียจมันง่วงก็บังคับให้มันขยันขึ้นมาก็ให้มันสวดเร็วๆถ้าสวดช้าๆเดี๋ยวมันจะหาวอยู่เรื่อยก็สวดเร็วหน่อยคำถามจากคุณเอ็กซ์ค่ะจิตอกุศลที่เกิดขึ้นจะทําอย่างไรดีครับที่จะไม่ยึดจิตดีจิตชั่ว ก็อย่าไปสนใจดึงจิตมาอยู่กับพุโทโธพอคิดไม่ดีก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปอยู่กับความคิดที่ไม่ดีเดี๋ยวความคิดที่ไม่ดีก็หายไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าตั้งใจถือศีลแปดวันพระต้องทานข้าวก่อนเที่ยงแต่ติดปัญหาเรื่องงานจําเป็นต้องทานข้าวหลังเที่ยงถือว่าผิดสัจจะหรือไม่คะไม่หรอกเราก็เปลี่ยนเวลาเสร็จแล้ว เราตั้งนาฬิกาของเราให้มันช้าสักชั่วโมงหนึ่งนี่เวลาเวลาเที่ยงก็แค่สิบเอ็ดโมงนะทำไมที่มองนอกเขายังมีเปลี่ยนนาฬิกากันได้ไม่เห็นไม่เห็นเสียหายตรงไหนใช่ไหมขอให้อยู่อยู่ที่เราตั้งนาฬิกาของเรานั่นเองถ้าเราต้องกินอาหารอตอนเที่ยงวันเราก็ตั้งนาฬิกาของเราให้เป็นสิบเอ็ดโมงแทนเที่ยงกกัน คำถามจากคุณชิชนกค่ะการเดินจงกรมสําคัญไหมคะหากมีปัญหาที่เท้าไม่สามารถเดินเท้าเปล่าได้จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรคะอ๋อการเดินจงกรมนี่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งน้องการการฝึกสมาธิฝึกสติถ้าเราเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่บางทีเรานั่งมากๆแล้วเราสติน้อย เผล อ, อยู่บ่อยไม่ได้ผลการเดินมาโดนจงกรมนี้มันจะช่วยเสริมสติให้ได้มากขึ้นเนี่ยยานก็เป็นทางเรื่องอีกทางหนึ่งเป็นทางเป็นการเสริมสติถ้าการนั่งของเราแล้วมันไม่ได้ผลในแสดงว่าสติเราอย่างน้อยอย่างนั้นถ้าเราลุกขึ้นมาเดินเรากําหนดสติมันก็จะมีสติเพิ่มขึ้นมาพอเรานั่งพอเดินจนั้งเราเดินไม่ไหวเราก็มานั่งต่อได้ คำถามจากคุณพัมท็อปค่ะภาวนาพุโทโธทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับแบบนี้ใช้ได้ไหมครับบางครั้งก็เผลอแต่พยายามดึงมาที่พุโทโธตลอดตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องงานครับได้แต่จะรู้ว่าได้ดีไม่ดีต้องเอามาใช้คือพอมีพุโทโธแล้วพอมีเวลาว่างต้องมานั่งสมาธิเราถึงจะรู้ว่าพุโทโธของเหล่านี้มีกาลังทาจิตให้สงบหรือไม่เนี่ย ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าพุโทโธยังไม่พอยังเผลออยู่บ่อยถ้าเผลอน้อยเวลานั่งก็จะสงบง่ายคำถามจากคุณเอ็กซ์ค่ะโยมหรือคนทั่วไปมีสิทธิ์เข้าพระนิพพานได้ไหมครับได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเข้าได้ทุกคนนี่คือตัว๋วเห็นไหมเวลาไปดูหนังนี่เขาเลือกก็เป๋าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ดูหน้าตาเราหรอกใช่ไหมเขาดูตั๋วที่เรายื่นให้เขาพอยื่นตัวให้เขาอถูกตั้งมีที่นั่งเขาก็พาไปนั่งตามที่ตามเลขที่เขาจัดมาให้อันนี้เวลาไปนิพพานเขาก็ดูแค่ที่ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นแหละมีศีลบริสุทธิ์หรือเปล่ามีสมาธิอัปปนาสมาธิหรือเปล่ามีปัญญาภาวนามยะปัญญาหรือเปล่าะถ้ามีสามตัวนี้เขาก็เปิดประตูให้เชิญเข้าไปได้เลย ช่วนี้คำถามหมดะนะไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นโยมเป็นคารวะเนี่ยที่นิพพานคนเก็บตั๋วก็ไม่ได้ดูที่หน้าตาเราเขาไม่ดูคนบวชมากี่ปีมีกี่พรรษามีตำแหน่งอะไรหรือเปล่าเป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่าเป็นเจ้าคุณหรือเปล่าเป็นสมเด็จหรือเปล่าเป็นสังฆราชหรือเปล่าเขาไม่ได้ดูส่วนนี้ เขาดูที่ตัว๋วเขาไม่ได้ดูที่คนถือตั๋วมาว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นคนสูงหรือเป็นคนต่ำเป็นคนรวยหรือเป็นขอทานเขาไม่สนใจทั่งนั้นเนี่ยนิพานนี้เขาสนใจเพียงแต่ตั๋วที่เราถือไปว่ามีตั๋วหรือเปล่าตั๋วที่เราต้องถือไปก็ศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้ามีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิมีปัญญาในระดับภาวนาไมายปัญญาเขาก็เปิดประตูให้เข้าเลยทันทีน น้ำก้มเข่ารบเชิญครับเนี่ยต้อนรับยินดีต้อนรับเนีถ้ามีศีลสมาธิปัญญาถือว่าเป็นวี p อพีเนี่ผู้ที่จะเข้าไปที่นิพพานได้ต้องเป็นถือบัตรวีไอพีศีลสมาธิปัญญาต้องเต็มร้อย ถ้าศีลสมาธิยังขึ้นขนกลางๆอยู่เข <sk ill> าบอกเสียใจยังเข้าไม่ได้ถ้าศีลบางทียังขาดอยู่เนี่ยสมาธิยังเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างปัญญายังเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่อย่างนี้เ <sk ill> ขาบอกยังเข้าไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์ค่ะหลวงพ่อครับทําไมตอนผมบวชรู้สึกว่าจะศึกสามวันนอนไม่หลับหายใจนอนไม่หลับ ใจหายความรู้สึกนี้คือใจไม่อยากสึกเพราะรู้ว่าต้องลดศีลลงมาใจหายครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำทางกลับสู่ทางโลกครับทางกลับสู่ทางโลกค่ะ ข, ขอแนะนำเมื่ออยู่ทางโลกครับอยู่ทางโลกก็ให<า>้รักษาศีลห้าเวนบายามุกแล้วก็ทําบุญทาทานขยันธรรมาหากิน ก็นี่คือวิธีอยู่ทางโลกอย่างมีความนุ่มเย็นเป็นสุขคําถามต่อไปจากคุณไพ่หลิยวค่ะนั่งสมาธิเข้าผวังกับหลับในเหมือนกันไหมคะก็ผวังมีสองแบบไงผวังหลับกับผวังตื่นผวังตื่นก็เป็นสมาธิผวังหลับก็เป็นการหลับนั่นเวลาเข้าผวังแล้วมี ส, สติสัมปชัญญะรู้อย่างต่อเ น, นื่องก็เป็นสมาธิ ถ้าเข้าเข้าถ้าเข้าผวังโดยไม่มีสติสัมปชัญญะก็เรียกว่าหลับก็มีสองแบบหมดแล้วเลย น, นี่คือเรื่องราวที่เราเปิดโอกาสให้ถามตอนนี้มีเวลาถามได้เต็มที่นะถ้าไม่มีเดี๋ยวพอเราหยุดแล้วก็อย่ามาขอถามนะ เราจะหาไม่เมตตาหาว่าใจจิดใจดำไม่ได้น ะ, อะตอนนี้ถามไม่อยากจะถามเลยตอนนี้เป็นเวลาที่จะให้ถามได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่ถามพอปิดโอกาสแล้วอย่ามาขอถามทันใดภายหลังไม่ได้แต่อย่าถามว่าต้องรอพรุ่งนี้ช่วงเวลานี้ทุกวันเนะี่ยหลังจากแสดงธรรมช่วงแรกแล้วพอยาดโยมถวายข้าวของเสร็จแล้ว ประมาณสามโมงสิบห้าไปนี่ก็เป็นช่วงถามคำถามจนถึงประมาณสามโมงสี่สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีเวลาอยู่อีกประมาณสิบแดนาทีถ้ายังถ้ามีคำถามก็ยังถามต่อได้คำถามจากคุณจารุวรรณค่ะคนที่จะตีตั๋วเข้าสู่นิพพานจะต้องดำเนินชีวิตแบบนักบวชเท่านั้นใช่ไหมคะไม่จำเป็นยก็ขอให้มีศีลสมาธิปัญญาเป็นนักบวชแล้วไม่เป็นนักบวชก็ได้ เพียงแต่ว่าเป็นนักบวชมันทำให้ลักทำให้มันทำได้ง่ายกว่ามีเวลาทำได้เยอะกว่าถ้าเป็นนักบวชนี่มันไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการทำมาหากินการรักษาศีลก็จะง่ายกว่าคนทำมาหากินนี่บางทีรักษาศีลไม่ได้บางทีก็ต้องมีพูดอ้อมค้อมบางไม่โกหกก็ไม่ตรงบางทีก็ยังอยากได้เงินของเขาอยากจะ <c oughs> โกงเขาอยู่เห็นเป็น ถ้าเป็นนักบวชแล้วมันก็ตัดปัญหาเรื่องการธรรมหากินออกไปการรักษาศีนก็จะรักษาได้ง่ายกว่าคำถามต่อไปจากคุณจิงขอบค่ะขอโอกาสครับพระพุทธเจ้าทรงเร็งญาณไปในอดีตก็ยังไม่ทรงพบว่าทรงเกิดตายครั้งแรกเมื่อไหร่ใช่ไหมครับและทำไมต้องมีเวทนาความเจ็บ ด, ด้วยครับออความเจ็บมันเป็นธรรมชาติที่ติดมากับใจคือเวทนา เวลาใจมันไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็จะเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาจากสิ่งที่ไปสัมผัสรับรู้ไปรับรู้เรื่องที่ชอบก็เกิดสุขขึ้นมาไปรับรู้เรื่องที่ไม่ชอบก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพียงแต่คิดเรื่องที่ไม่ชอบก็ไม่สบายใจแล้วใช่ไหมก็ทุกขเวทนาก็เกิดแล้วถ้าคิดในเรื่องที่ชอบก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา ถ้าคิดเรื่องที่ไม่เป็นกลางๆ ก, ก็ไม่ก็เป็นเวทนากลางๆคือไม่สุขไม่ทุกข์กเวทนาอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของจิตที่มันมีการรับรู้เรื่องความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์คำถามต่อไปจากคุณพรัรมค่ะครั้งนอนภาวนาเกิดนิมิต ขึ้นเห็นพระพุทธรูปแล้วมีตัวรู้เห็นกายนอนเป็นท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกเลยแต่สติก็รู้อยู่ตลอดครับแบบนี้เป็นสภาวะอะไรครับมันไม่มีชื่อหรอกอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักเอาไปใช้ให้ทําให้ประโยชน์หรือไม่ถ้าเราใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราคิดว่าต่อไปร่างกายเราก็ต้องนอนตายมันก็เป็นประโยชน์ เราจะได้เตรียมรับกับความเป็นจริงต่อไปว่าร่างกายของเราสักวันหนึ่งมันก็จะต้องนอนตายตอนนี้เราทําประโยชน์ได้จากมันได้ก็รีบทําเสียเพราะถึงเวลาที่มันตอนตายแล้วก็จะทําอะไรไม่ได้ยังไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นอะไรให้รู้ว่ามันเรามาทําประโยชน์ได้หรือไม่เท่านั้นก็พอถ้าเอามาแล้วทําประโยชน์ไม่ได้ก็โยนทิ้งไป เหมเราเดินไปตามถนนน้้าเก็บของได้เราจะทำอะไรเราไปถามว่ามาจากใครที่ไหนหรือเปล่าไม่สนใจไนหะเราก็มากเ้ยเอาไปทำอะไรได้วะถ้าเป็นเงนินเออไปซื้อข้าวซื้อของได้ถ้าเป็นของที่ยังใช้ได้ก็เอาไปใช้อะไรทำนองนี้ให้ดูตรงนั้นดีกว่าดูประโยชน์จากการที่ได้สิ่งนั้นมาว่าเอาไปทำประโยชน์หรือเอาไปทาแล้วเกิดโทษกับเรา ไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นใครมาอย่างไรที่ไหนไม่สําคัญนะแล้วบางทีไม่รู้ด้วยจะไปถามใครล่ะใช่ไหมอย่างนี้ไม่ต้องไปรู้คำถามต่อไปจากคุณชิชนก ค, ค่ะเวลานั่งสมาธิจะชอบไปเพ่งที่ลมหายใจทําให้บังคับลมหายใจอยู่นานพยายามไม่ไปจดจ่อ บ, บังคับแต่จะเป็นตลอดทุกครั้งที่เริ่มทําสมาธิขอคําแนะนําจะขอคำแนะนาําในการปฏิบัติด้วยค่ะ ก็เปลี่ยนอย่าไปดูลมใช้คําบริกรรมอย่างเดียวไปพุทโธพุทโธไปหรือเพ่งภาพก็ได้นึกถึงภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปให้ภาพพยายามรักษาภาพพระพุทธรูปให้อยู่ในใจไปเรื่อยๆเพ่งพระพุทธรูปแทนก็ได้ถ้าเราชอบพระพุทธรูปแต่อย่าไปเพ่งคนที่เราชอบนะหรือคนที่เราไม่ชอบน่ยเดี๋ยวมันเกิดอารมณ์ขึ้นมา งันต้องเพ่งภาพที่เป็นกลางถ้าไม่ชอบภาพเอาสีก็ได้นึกถึงสีเขียวก็ได้ให้หลับตาแล้วเห็นจอภาพเป็นสีเขียวเต็มไปหมดหรือสีแดงก็ได้เราชอบสีอะไรเราก็นึกถึงสีนั้นไปถ้ายังนึกไม่ออกก็ลืมตาดูสีนั้นก่อนดูเพ่งสีไปก่อนจนจำสีนั้นได้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีที่เราเพ่งไปเรื่อย อันนี้ก็เป็นวิธีทําสมาธิแทนลมหายใจได้ถ้าเรามีปัญหากับเรื่องลมหายใจแล้วก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวอื่นแทนดูลมไม่ได้ก็ดูสีก็ได้ดูพระพุทธรูปก็ได้คําถามต่อไปจะคุณสายสุนีค่ะขณะนั่งสมาธิแล้วปวดควรกําหนดสติเช่นไรคะถ้าเหน็บชากําหนดเช่นไรคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ท่องพุทธโธไปหรือสวดมนต์ไป อย่าไปสนใจกับการเจ็บการเหน็บชาแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเหมือนตอนเรานั่งเล่นไพ่มันเจ็บมันปวดฉียังไม่ลุกเลยใช่ไมเพราเราไม่ไปสนใจกับการเจ็บปวดเราไปดูแต่ที่ไพ่คำถามจากคุณต้นกล้าค่ะถ้าทำทานศีลภาวนาทุกวันมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังแต่ยังไม่ได้โสดาบันเกิดตายก่อนอย่างนี้จะติดเป็นนิสัยไปไหมเจ้าคะก็มีส่วนต็ดไป แต่จะติดได้นานหรือไม่นานอยู่ที่เราทํามากหรือทําน้อยถ้าทําน้อยอาจจะติดไม่นานพอไปเกิดใหม่ในชาติหน้าอาจจะลืมแล้วก็ได้แต่ถ้าทํามากมันติดอยู่นานไปเกิดในชาติหน้ามันก็ไปทําต่อได้คําถามจากคุณเอ็กซ์ค่ะสวรรค์ก็ไม่เที่ยงนรกก็ไม่เที่ยงแล้วอะไรที่เที่ยงแท้ครับพระอาจารย์นิพานไงนิพานเป็นที่เที่ยงแท้ไปแล้วจะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสูญไม่มีวันหมด คำถามจากคุณพงษ์ค่ะพระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดในชาตินี้ได้เจอพระพุทธศาสนาสามารถบรรลุนิพพานมีได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องรออีกชาติต่อไปเหมือนกับพระอาจารย์บอกใบ้ว่าให้รีบมาปฏิบัติธรรมในชาตินี้เลยใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะได้ไปถึงนิพพานได้ในชาตินี้เลยเพราะมีคนนําทาง ถ้าชาติหน้าอาจจะไม่มีคนนําทางแล้วก็ได้มาเกิดคราวหน้าศาสนาพุทธอาจจะหมดหายไปแล้วไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ตอนนั้นก็ต้องคําทางไปทํายังไงก็เหมือนคนตาบอดนะไปยังไงก็ไม่มีทางที่จะไปถึงนิพพานได้ต้องรอให้มีคนตาดีมานําทางครั้งต่อไปคือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่คำถามต่อไปจากคุณต้นกล้าคา่ะ สังโยชน์สิบและตันหาสามเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะรู้แต่ว่าต้องกำจัดให้หมดไปคะ่ะเหมือนเป็นปีเกเเป็นกิเลสเป็น ต, ตัวที่รัดหัวใจของเราดวงวิญญาณของเราให้ติดอยู่ในไตรภพวเนี่ยเพียงแต่เวลาแสดงบางทีท่านก็นแสดงแบบแบบไม่ละเอียดกับแบบละเอียดถ้าละเอียดก็เป็นสังโยชน์สิบถ้าไม่ละเอียดก็เป็นตัญหาสามหรือกิเลสสาม ภาวะตันหาการมตันหาภาวะตันห า, า, ว, นหาวิภาวะตันหาหรือความโลภโกรดหลงแต่ถ้าแสดงละเอียดมันก็จะเป็นสังโยชน์มันเป็นตัวที่ลัตจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดในตจผมหมดนล้วยังโอเคหมดเวลาพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองที่จะตามมาต่อไปโดยทั่วหน้ากันเธิด